นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์อีพีโตรที่96้าสบหอพีโตรที่96นี้เราได้ตอบคาถามของท่านผู้ฟังที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการทําจิตการปฏิบัตินิดนึงเราก็ยังมีเรื่องของสัมมาวาจานี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดธรรมาพระไพบุญมาพร้อมกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกลับรัชการครับกับผมธันดแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับวันนี้เราคําถามที่เราได้ ข้างๆท่านผู้ฟังอยู่บ้างนะมาคุยมาตอบกันให้ฟังคำถามแรกก็มาจากคุณมือไมฮัธรรมะทะเขียนไว้ในในโพสต์นี่เองเกี่ยวกับเรื่องของตอนนู้นตอนก่อนหน้านั้นที่เราได้พูดถึงเรื่องลิงใช่ไหมมาราพง์ใช่ครับความไม่ยุติธรรมความไม่เท่าเทียมกันเขานักวิชาเขาคนพบว่าความไม่ยุติธรรมเนี่ยทให้เกิดความเขาเรียกว่านิสัยที่ไม่ดีออกมา ความที่ผิดศีลผิดอะไรเพราะนั้นเขาจึงต้อง เ, อเน้นย้ําที่ต้องมีความยุติธรรมในสังคมจึงจะต้องมีศีลมีธรรมเกิดขึ้นได้ก็ต้องบอกว่ามันมันไม่เสมอไปนะเพราะ ค, รความยุติธรรมในสังคมไม่มีเท่าเทียมกันไม่มีมีอยู่นู่นที่วีมุติแต่ที่ไออาการต่างๆที่เราแสดงออกมาไม่ดีแย่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนั่นเพราะกิเลสเดีไม่ได้เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกัน<อ>เพราะนั้นจึงมีคําถามจากคุณมือใหม่หัตธรรมะดังนี้ครับ ท่านถามว่า เ, เรื่องความไม่เท่าเท่าเทียมกันในเด็กเนี่ยเช่นการได้ขนมไม่เท่ากันแม่พ่อแม่ปฏิบัติต่อพี่น้องเนี่ยไม่เท่ากันอืมหรือว่าพวกคนที่เข้าแถวแล้วเพื่อนมาแทรกแถวอืมเออซึ่งอันนี้ก็ก็คือความไม่เท่าเทียมกันนะครับอันนี้ท่านก็เลยสงสัยว่าแล้วอันเนี้ยผู้ใหญ่หเข้าใจออแต่ถ้าเด็กเนี่ยจะสอนเด็กเนี่ยไอ้ความไม่เที่าเท่าเท่าเทียมกันในโลกเนี่ยมันเป็นธรรมดาเนี่ยจะทํายังไงให้เขาเข้าใจครับ เอย่างตัวมาเองเนี่ยนะเราก็เป็นนักกีฬามาก่อนแต่เราคิดว่าการเล่นกีฬาเนี่ยจะทําให้เด็กเขาเข้าใจอในระดับหนึ่งนะคือว่าไอ้คุณเล่นทุกตําแหน่งไม่ได้นะจิงคุณอยู่กองหน้าจะไปอยู่กองหลังมันมันไม่ได้คุณเป็นโกคุณจะไปเตะข้างหน้าทุกคนมีตําแหน่งมาแล้วดันั้นความเท่าเทียมกันตรงนี้คุณต้องเข้าใจแล้วระดับหนึ่งในสมับเด็กนะหรือว่าเราจะเปรียบเทียบกับมือห้ามือมันก็นิ้วไม่เท่ากัน ก็มีอ้อใช่ใช่ครับอมีหน้าที่แตกต่างกัน ใ, ในแต่ละอวัยวะคื อ, อให้อุปมาอุปไมยเนี่ยจะทําให้เขาเข้าใจได้ดีมากยิ่ขึ้นผู้หญิงผู้ชายมีสัดส่วนมีอวัยวะมีโครงสร้างไม่เหมือนกันนี่ก็ไม่เท่าเทียมกันละครับอหรือความไม่เท่าเทียมกันในเวลาะคุณจะมากินโจ๊กตอนค่ํำ เ, เขาไม่ทํากันเราก็ต้องสอนให้เขาเข้าใจตรงนี้ก็ได้อืมอมันก็ไม่เท่าไม่ใช่ว่าโจ๊กคุณจะกินได้ทุกเวลาอย่างเงี้ย Mm hmm. มันก็ต้องมีความเท่าเทียมกันเดี๋ยวโจกสักวันหนึ่งยกมือว่าทำไมไม่กินชั้นตอนเย็นบ้างหรือทําไมไม่กินชั้นตอนก่อนนอนบ้างไงที่มันเขา mm hmm. เขาต้องมีความอย่างนี้กันนะนะครับอืม mm hmm. แต่เรื่องเรื่องนิ้วนี้เห็นชัดนะครับแล้วก็มีสื่อเขาได้บอกสอนด้วย oh. นิ้วห้านิ้วโอเคหน้าที่แตกต่างกันคน ช, ชอบถามว่าอชอบนิ้วไหนถามเด็กๆบางคนชอบนิ้วชี้ชอบนิ้วโป้งชอบนิ้วนางอื mm hmm. แต่วันนี้เป็นกุศโลบายที่ ชัดเจนแล้วก็เห็นได้ชัดนะครับเอแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างเรื่องพ่อแม่ที่แสดงความรักต่อลูกไม่เท่ากันเนี่ยครับคือพ่อแม่เนี่ยต้องบอกขาอยงนี้ว่ารักลูกเท่ากันแน่นอนทุกคนอืมอกินครับแต่ว่าการแสดงออกซึ่งความรักเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เท่ากันเสื้อผ้าเนี่ยจะตัดกางเกงจะตัดกระโปรงให้ผู้ชายมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะแสดงออกความรักเหมือนกับลูกคนนี้ให้กับลูกอคนหนึ่งมันก็ไม่ได้อ่ะมันก็ไม่เท่ากันแน่นอนเราอธิบายเขาเข้าใจอย่างนี้ก็ได้ ใช่ใช่ใช่เรื่องลูกนี่สําคัญเลยนะเพราะเริ่มโตขึ้นมานะถามนั่นถามนี่ถามโน่นถามไม่หยุดจริงจอิงแล้วก็มีความเข้าใจเป็นอย่างอื่นเพราะนัเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าทําไมฝนถึงไม่ตกในฤดูร้อนหรือฤดูหนาวล่ะก็ต้องค่อยๆบอกสอนนะบางคนสอนยากก็มีบางคนสอนง่ายก็มีเพราะฉะนั้นลูกมันก็ไม่เหมือนกันถ้าลูกที่สอนง่ายหรือลูกที่ มีพระจ่าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะต้องสอนอีกแบบหนึ่งอะนะครับอืมเพราะฉะนั้นพ่อแม่นี่ต้องเป็นคนที่มีกุศโลบายมากต้องจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายมากจริงครับท่าน อ, อ, อย่างไรก็ตามไอ้เรื่องตัวอย่างเรื่องนิ้วก็ตามตัวอย่างเรื่องของความไม่เหมือนกันของชายหญิงในเรื่องของเสื้อผ้าพวกนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่มายกขึ้นอใช้อยู่บ่อยบ่อยในเรื่องพุทธวจนะผู้เช้าก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย นะี่ยคือผ่านไปเลยเนื่องจากว่ามันไม่เท่ากันอยู่แล้ว บ, บอกแค่ว่ามันเท่ากันตรงวีมุตดนูน่นเท่านั้นเองอืมตรงที่สุดใช่แล้วก็ที่พุทธวจนะที่บอกเนี่ยตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ผู้พูดถึงสังสารวัตร น, นั่นเองแนะสังสารวัตเป็นอย่างนี้หมอระหงครั บ, รบเป็นไงครับสังสารวัตเป็นอย่างนี้แหละอืม <Ừ, mean S 1> ก็คือมันไม่เท่าเทียมกันครับถ้าคุณจะอยู่ในสังสารวัตแล้วคุณก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ อถ้าคุณยอมรับไม่ได้คุณออกจากสังสารวัตระครับคือไปเขาวิมุตต์จะอ่านี่คือกฎเท่านั้นเองมันไม่มีความเท่าเทียมกันในสังสารวัตนี้เนาะ ก, ก็แค่นั้นเองครับแต่ว่าวิธีในตามระบบของมันมีอยู่คุณทํากรรมดีคุณได้ดีแน่นอ น, ค, นคุณทํำกรรมชั่วคุณได้ชั่วแน่นอนเอ๊ะทาไมมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เอา้ามันก็มีเวลาอีกเหมือนกันใชซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้คนมองไปว่ามันไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่การมองของเราเท่านั้นเองการมองของเราบางคนมองไม่เท่าเทียมกันเราต้องสอนเขานะให้ยอมรับตรงนี้ได้นะให้เข้าใจถึงว่าในอีกอีกแง่มุมหนึ่งของความเท่าเทียมกันก็มีอยู่ออืม่าในขณะที่เขารู้สึกว่าเท่าเทียมกันตรงนี้เราต้องรีบสอนเลยว่าเพราะตอนนั้นจิตเขาเปิดยอมรับได้ต้องรีบสอนเลยว่าความไม่เท่าเทียมกันในอีกแง่มุมหนึ่งก็มีอยู่มันแค่สังสารวัตรเท่านั้นเอง เพราะมันคือสังสารวัตเท่านั้นเองผู้ใหญ่บางคนก็ยังยอมรับไม่ได้ก็มีจครับเห็นเรื่องที่เท่าเทียมกันกลายเป็นเรื่องที่ไม่เท่าเทียมกันไปอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นปัญหาเช่นอะไรนะครับท่านเช่นก็ยางยังคนที่เขาไม่ชอบการเลือกตั้งแต่คนที่เขาชอบการเลือกตั้งปัญหาก็เรื่องการเมืองเนี่ยเห็นชัดเจนเลยบางคนไม่ชอบอระบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขบอกว่าไม่เท่าเทียมกันอออืมเอ้ยคิดอย่างนั้นก็มี แต่บางคนบอกอไม่ได้ต้อง อ, อีกระบบหนึ่งถึงจะเท่าเทียมกันนั้นะ ม, มันก็ที่เท่าเทียมกันอยู่ก็มองไม่เห็นแต่ไปเห็นไอ้ที่มันไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยก็ทําใหค้ความทุกข์ตัวเองเกิดขึ้นเอง อ, อจริ ง, รงๆที่เป็นพุทธศาสนาที่บอกเลยนะที่เกี่ยวกั บ, รบเรื่องนี้คือมานะตั้งห้านั่นเองเอามานะทั้งเก้านั่นเองอ๋อมานะเกามานะเกที่บอกว่าไอา้ตัวเองคิดว่าเสมอเขาแต่ตัวเองเสมอเขาแต่ว่าตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าเขา ตัวเองเสมอเขาแต่คิดว่าตัวเองที่ต่ํำเกียกว่าเขาออย่างเงี้ยหรือตัวเองดีกว่าอยู่เขาอยู่แล้วแต่คิดว่าตัวเองเท่ากับเขาตัวเองดีกว่าเขาอยู่แล้วแต่คิดว่าตัวเองต่ํากว่าเขาตัวเองดีกว่าเขาอยู่แล้วคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยก็ก็ไม่ใช่งนั้นเลยอ่ะเก้าอย่างตรงนี้แต่ต้องต้องถอนมานะนี้ออกไปครับเป็นความสําคัญผิดใช่ไหมครับใช่เป็นความถือตัวอ๋อถือตัวพี่ถูกมันมันวัดกันได้ที่ว่าจิตเราเป็นกุศลไหมท่านเอง นคือจริงถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่ามอรัชพ์ในสังสารวัฏเนี้ยผิดเป๊ะหรือถูกเป๊ะมันก็ไม่มีอืมออครับเพราะว่าอย่างพูะพุเจ้าทําดีถูกใช่ไหมไอ้คนนึงมองว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีอย่างเงี้ยก็มีอืมขนาดดีเลิศแบบสุดสดละก็ยังก็ยังถูกมองอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาศีลสมาธิปัญญามาวัดใช่ไหมศีลมันแค่คุณมองเห็นภายนอกนั่นเองนะแต่สมาธิปัญญาในจิตของบุคคลคนนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ย โอมองเห็นไม่ได้ด้วยใช่ครับแล้วไม่มีเครื่องรู้คือถ้าไม่มีเครื่องรู้ก็คือมองไม่เห็นแล้วมันก็แก้ <ไง S 1> ให้กันไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้ น, นจึงต้องใช้โสด ต, ต้องใช้โสตะคือหูในการฟังใช้คําสอนที่ถูกต้องคือคําสอนคือสุตตะในการที่สั่งสอนก็จะทําให้ค่อยๆเปลี่ยนจิตใจตรงนี้นะจากที่มันบื้อบ้าบ้าบอเนี่ยเป็นสิ่งที่มันดีขึ้นมาพยายามทําความเข้าใจใน สังสารวัตรนี้ให้ได้ครับคือถ้าถ้าเราไม่สามารถยอมรับที่อยู่ของเราได้มนุษย์ขงเราอยู่ยากมากจริงครับ อ, อย่างเศรษฐีอย่างเงี้ยไม่พอใจบ้านตรงนี้เขาปูกระเบื้องไม่ดีคนนั้นเขาก็ทุกข์ใจทั้งทั้งที่กระเบื้องนี่ตารางเมตรละหลายพันอย่างเงี้ยก็ตามในขณะที่คนจนเนี่ยอยู่บ้านไม่ปูวอลเปเปอร์พื้นก็ไม่ได้ทำอะไราพื้นดินธรรมดา เออแต่ว่าก็มีความสุขใจสบายใจเขาก็อยู่ได้เขายอมรับตรงนั้นได้เขาก็อยู่ได้อย่างสบายใจครับประฉะนนถ้าที่อยู่ของคุณน่ยเออคุณยอมรับไม่ได้คุณอยู่ยากแน่นอนอเด็กๆ อ, อ่ะเขาไปอยู่บ้านไหนห้องน้อยนิดนึงหรือว่าจะอยู่เขาเริหัดใหญ่โตเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มี preconceived notion ว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับภาษาอังกฤษเขาเร preconceived notion อ๋อ preconceived notion อ่าว่า เราเอ็ e ซ์ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ก ค, คืออย่างกรณีบ้านเราต้องน้ำไม่ท่วมแต่เรายอมรับได้ว่าเราไปโรงแรมเราต้องออกจากโรงแรมอีกสามสี่วันแต่คุณก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรายอมรับยอมรับเงื่อนไขตรงนั้นนั่นเองเราต้องสอนลูกนะเนี่ยชื่อว่าถึงจะเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้ตั้งอยู่ในความดีในประเด็นนี้สำคัญคทาหน้าที่พ่อแม่ถูกต้องละ แล้วก็ถ้าเผื่อว่าลูกมันเริ่มเอมีเป็นออกแนวออกแนวนะคือกลายเป็นเริ่มมีความไม่พ อ, อใจเวลาเจอสิ่งไม่ที่ตัวเองเห็นว่าไม่ยุติธรรมอย่างเงี้ยครัอ๋อทําไมพี่ได้หนังสือปอหกแล้วอ่ะฉันยังได้หนังสือปอสี่มันไม่มแฮปปี้ไงเอออย่างเงี้ยก็คุณเรียนอยู่มอปอสี่จะให้ทํำยังไงไะอย่างเงี้ยนะเราต้องอธิบายเข้าใจว่าเออเดี๋ยวคุณขึ้นปอหกแล้วอืต้องค่อยให้เขาห้ามเสียจากบาป ครับแก่นันเองอืมจริงๆคําอธิบายของผู้ใหญ่นี้สําคัญนะครับเพราะว่าเด็กคือความสงสัยก็เท่าที่ดูเหมือนไม่ค่อยแตกต่างกันแต่ว่าวิธีปฏิบัติของผู้ใหญ่ตอนเด็กเนี่ยจะเป็นตัวสร้างบุคลิกภาพในระยะยาวของเด็กครับหน้าที่นี้จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญถามว่าใครทําหน้าที่นี้อยู่ในปัจจุบันนี้ครับนะก็คือมีมารดาบิดากับพระสงฆ์นะคือหมายถึงว่าตามตําราของผู้เช่านะผู้เช้าให้มารดาบิดาเนี่ย ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีหน้าที่ของ<ม>ประสงค์ก็เหมือนการให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีมี2จุดนี้เพราะฉะนั้นก็การฟังธรรมะที่ผู้ชอบสอนก็ตามนะคือตัวเราเองเนี่ยต้องมีความรู้ถึงจะมาสอนลูกได้บ้างความรู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่ารู้ตามความรู้ของคนอื่นนะคือ ต, คตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเองคืออาจมาต้องบอกว่าบางทีถ้าจะบอกว่าพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่แน่เสมอไปจริงครับ แต่ถ้าจะบอกว่าลูกมันจะดีได้เองเราไม่ต้องสอนมันพูดไม่ถูกอะมันก็พูดไม่ได้ครับเราก็ต้องมีการบอกสอนทํนตาตามหน้าที่วัางก็เถอะแต่ลูกมันจะเป็นยังไงก็ก็ตามกรรมของเขาที่เขามีมาแต่เราก็คอยชักจูงดึงไปในทางที่ดีตอนนี้จึงเป็นประเด็นที่จะให้พูดถึงเรื่องที่ได้พูดในครั้งที่แล้วนะที่เกี่ยวกับรกเรื่องลิงนี้เหมือนกันที่ว่า ค, ค, ความยุติธรรมไม่มีในโลกแล้วเราก็ ได้พูดตัวอย่างถึงคนที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าต่อให้คุณติวคุณทำแรงเขาเนี่ยก็เพิ่มมาได้สามสิบสี่เอร์ซ็นต์สซนมันก็ไม่ได้จะเก่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทําให้อันนี้เป็นความผิดของของคําพูดของเรานะที่ว่าเวลาเราพูดไปแล้วเนี่ยผู้เรียนยังพูดถึงอิทธิบาทสี่นะที่ว่าใครสักคนหนึ่งพยายามทํามันก็ได้เหมือนกันอ่๋อคือไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะไม่เก่งเลขพราะมันจะไปติวแล้วมันจะไม่เก่งขึ้นมาได้ มันก็พูดไม่ถูกมันก็จะมีคนที่พยายามจนได้ก็มีอือพยายามอย่างยิ่งวยวดใช่เพราะฉะนั้นไอ้คำพูดมาตอนที่แล้วเนี่ยมันจะขัดกับเรื่องของอิทธิบาทสีอ่าเพราะนั้นก็ต้องแก้ไขให้ถูกว่า อ, อยู่ที่ระยะเวลาด้วยอะระยะเวลาด้วยชสมมติคนที่ไม่เก่งกณิตศาสตาเนี่ยถ้าเขาพยายามไปพยายามไปนะเขาพยายามปลูกฉันทะในะชาติปัจจุบันนี้ได้ชาติต่อไปเขาอาจจะเก่งขึ้นมาก็ได้อ่ากลายเป็นคนที่เก่งกนิสตร์ขึ้นมา นะคือคือชาติต่อไปมันก็ยังมไม่ถึงเราก็ยังไม่รู้นะใช่ครับแต่ถ้าเขาปลูกฟังนิสัยตรงนี้ไปได้แล้วเาปลูกฟังนิสัยความเพียรมันก็ทําให้ดีขึ้นมาในอาจจะไม่ต้องถึงชาติหน้าก็ได้ก็ชาติปัจจุบันก็ทําได้เหมือนกันครับใช่ฮะเรื่องราวของความพยายามจนประสบความสําเร็จเนี่ยมีนับไม่ถวนมีมากมายที่เราทราบขนาดว่าพวกรุ่นเจ้าเองพระองค์ยกตัวอย่างเลยจากอบายที่กว้างใหญ่ขนาดนี้หมดแล้วระอ จากอบายที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ก็ยังมีทิฏฐิสัมปันะบุคคลรุดพ้นออกมาได้แล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยณว่าจากอบายที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ยังมีสมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเลยแล้วถามว่าคนที่จากบริษัทมาเป็นสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ความเพียรหรอโอ้ใช้อย่างมากเลยโอ้โหอย่างยิ่งยวดเลยอ itipie i t i p i หมาแล้วพงคอ i t i p ป e แปลว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ย แม้ปีติปิโสใช่แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระเจ้านั้นเป็นพระอรันอาตมาจําคําอิติปิ้นี่นะโอเราฟังแล้วฟังแล้วนึกถึงพวงมหาสารพวงมหาสารนี่คือพวงคือสิ่งที่พระเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ได้ทํามาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหนโอ้โหมันเยอะมากว่ะนะพงศ์เขาเยอะจริงๆจะควักหัวใจให้เขาจะควักไตจะควักเนื้อให้เขาถ้าเขามาขอ เป็นเวสันดรใช่ไหมครับหรือตอนนั้นเออเขาจะมาแย่งภรรยาเก่าตัวเองไปก็มีความจี้ขึ้นมานิดนึงที่ปล่อยวางอย่างเงี้ยตอนนั้นนอนหนาวกอดนอนหนาวอยู่เด็กมาฉีใส่เอาน้ํามาจี้หูไอเอาไม้มาจิ้มหูก็ไม่โกรธครับโอ้มันเยอะมากจริงนะิปีเนี่ยอืมมีเหตุแห่งการเกิดที่ใช่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้โอ้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่าคุณทําอะไร ที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีความเราแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ใช่เราแก้ได้แนะถ้าคุณคิดว่าคุณได้รับความไม่ยุติธรรมคุณแก้ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณแก้ได้ยังไงนะเดินตามมรรคนี่แหละห ม, ะลมรรพงศ์ะจะทำให้ ถ, ถึงความสิ้นของความไม่ยุติธรรมเพราะว่าในมรรคนั้นความไม่ยุติธรรมเข้าไปในนิพพานความไม่ยุติธรรมไม่มี ความอายุติธรรมไม่มีในนั้นแก้แด้เลยเสมอกันคุณปวดหัวคุณไม่แฮปปี้เขาด่ากันเถียงกันคุณมีเงินน้อยคุณประสบปัญหาในชีวิตในนิพพานไม่มีสิ่งนั้นดีไหมดีครับ เ, เดี๋ยวจะมาว่าดีเลยครับจริงๆครับจะได้ปลกกระแสอริยะแล้วก็ความที่เราจะมา รู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้ยึดตามไม่ดีทำเนี่ยไอ้ความคิดนี้มันก็ไม่มีมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าอิทธิบาทสีนี่แหละคุณทําได้ทําดีแต่ทำให้เกิดเถิดแต่อย่าไปท้อแท้อย่าไปคิดว่าตัวเองต่ํากว่าเขาคือตัวเองเราต่ํากว่าเขาก็จริงแล้วก็ไปคิดว่าฉันต่ํากว่าเธอหรือฉันต่ากว่าเธอก็จริงแต่ฉันคิดว่าฉันเสมอเธอไอ้ความคิดนี้ก็่อยากให้มีเพราะมันจะเป็นตัวกัดกางกั้นเราแต่ไม่มีความสงใจ มีความน้อยเนื้อต่ำใจมีความไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาอีกประการหนึ่งเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในเด็กอย่างเงี้ยครับเอย่างตัวอย่างอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจก็คือบางทีถ้าเราตามใจลูกทั้งหมดเลยทุกอย่างะเขาคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่เขาต้องการอืมคุณต้องฝึกในการที่จะไม่ทําตามใจเขาบ้างขัดใจใช่อขัดใจชนิดที่เรียกว่าค่อยๆค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆแนะนําค่อยๆ introduce ความขัดใจนี้ เช่นว่าต้องการให้เปิดเพลงเราจะเปิดอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมีมีพ่อครับเขาเคยทดสอบลูกใช่ไหมลูกต้องการให้เปิดเทเสกันนี้ครับพ่อไม่เปิดพ่อไปเปิดเพลงเฮ้ยลูกก็ไม่แฮปปี้ก็เลยหนีไปนั่งข้างหลังคเนะนี่ยเขาก็ไม่วิทวักขึ้นมาไม่จีจายขึ้นมาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกโทรเทรนทัมคือแบบบัวอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นอ่าเออเราจะเราก็ค่อยค่อยคอยทดสอบดูว่า เอ้ลูกมันจะเป็นยังไงเออพอเราเปิดเปิดเพลงที่เขาต้องการหรือเปิดกันเทศที่เขาต้องการฟังเออเขาดีเหมือนเดิมกลับมานั่งเหมือนเดิมอย่างเงี้ยหละเนี้ยเราต้องคอยที่จะเอ่อให้เห็นความที่มันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการทุกอย่างอืมอืต้องต้องให้ทํานะให้ให้ให้รู้นะอ่าครับจริงครับจริงครับอันนี้อันนี้ประสบการณ์ตรงนี้จริงเลยครับคือบางอย่างสิ่งวดล้อนบางอย่างเราควบคุมได้อ่ะใช่ครับคือเราจะไม่ได้ว่าต้องไปที่ร้านอาหาร สั่งหารพื้นนี้ไม่มีหรือว่าเป็นในสถานการณ์ที่ไปร้านของเล่นแล้วคุณต้องการซื้อแต่ว่าซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยเราเอาที่บ้านนี่แหละง่ายๆลองลองทำดูแลทดสอบดูซอนก็ดูอไม่ได้อย่างที่เขาต้องการอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอาจจะเขาก็ขัดเคืองใจอถ้าบางทีก็มีแบบโกรธร้องไห้บ้างใช่เอายังง่ายๆเวลาดูประตูอย่างเงี้ยครับอาปิดไฟมันซะบ้านเอาเบรกเกอร์ลง ลูกไม่รู้หรอกว่าเบรกเกอร์อยู่ไหนฮะครับเอ๊ะทำไงดีไฟดับนี่ก็ต้องให้เขายอมรับเราล้วก็แนะนําอคอนเซป t นี้เลยได้หนึ่งคิดว่าเป็นกุศลบายที่พอจะใช้ได้อนะทําบ่อยๆทํำบ่อยๆแล้วผมไม่ใช่ทําครั้งเดียวมันจะเข้าใจคนบางคนทำบ่อยๆทำบ่อยๆอย่างเด็กเนี่ยเขาเขียนหนังสือได้ยังไงอฝึกไปเขเออใช่ดูแบบฝึกหัดไอ้หน้าเขียนเขาดิเขียนเป็นพันตัวมาแล้วผม เ, เขียนเป็นพันตัวกว่าจะได้รู้ว่าไอ้กอไ ก, ไกเขียนอย่างนี้คอควายเขียนอย่างนี้อ่ะนะซ้ําๆย้ำๆดีมากเป็นหน้าที่<ม>ของพ่อแม่ต้องทํานะพระพุทธเจ้าบอกว่ามนดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ประคบประงมด้วยความอุตสาหะอย่างยิ่งเพราะเขากอประงมมนดาบิดาตรงนี้ทําให้มันดาบิดาเนี่ยเป็นผู้มีอุบุญคุณมากจริงจริอครั บ, ร บ, รบสาธุครับอืมจริงดับนะเป็นหน้าที่ที่พึงกระทําอย่างยิ่งครับ ครับอ้าต่อไปเราก็มาคําถามของคุณผู้ศ<อ>ึกษาปฏิบัติผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับจะยาวนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอความการนั่งสมาธินะครับคือท่านยกยกมาว่าเรื่องของจิตรหรือวิญญาณเนี่ยจะเกิดดับตลอดเวลาอ่าอันนี้เอ า, เอาตอนนี้ก่อนนะที่ผมว่าจิตรหรือวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาอันนี้ก็สอดคล้องกับพุทธวจนะนะ ค, คือสมมุติว่าถ้าคุณผู้ศึกษาปฏิบัติ ฟังคำของใครมาก็ตามเนี่ย เ, เราก็มาตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นพุทธประชนะถ้าเข้ากันได้ก็ดีนะก็คือว่าจิตมโนวิญญาณพระเจ้าบอกว่าดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นต่อไปนะัตลอดวันตลอดคืนอันนี้ถูกต้องถูกต้องนะครั บ, รบและภาวะนิพพานนั้นเป็นช่องว่างในที่คับแคบภาวะนิพพานคือนิพพานแปลว่าความดั บ, บนะเพราะฉนั้นมันก็ดับจากสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นคือสมมุติว่า ช่องว่างในที่แคบแคบเราได้เคยคุยเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันใช่ครับนะ <ผม S 2> ว่าในนิพพานเนี่ยความแคบก็ไม่มีความกว้างก็มี ม, มีความเล็กความยาวความใหญ่นะ<ม>ความอะไรพวกนี้ไม่มีหมดไม่มีมิติใช่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าผอว่าเราต้องการจะเข้าใจสภาวะนี้ เ, เราเราจะไม่ได้เที่ยวหานะานหาไม่มีเราก็ต้องวางตรงนั้นวางตรงนี้วางตรงโ น, น้นนะวางความอยากปุ๊บมันก็จะจะได้ตรงนี้ขึ้นมา นะคือจะเรียกว่าได้ก็ไม่ใช่แร้วมันก็คือจะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะพูดให้ถูกนะคือขณะที่จิตพระเจ้าใช้คําว่าวสัคคะนะวสั <os> <os> คคะคือสลัดคืนปล่อยวางไม่ยึดถือเอาไว้นะคือขณะที่จิตพระสอนเนี่ยจิตพระสอนเนี่ยมันจะไปรู้ไปทํำสิ่งอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปก้าวลงละสลัดคืนละครับแค่นั้นเอง อเพราะนั้นเพราะฉะนั้นคือมันก็จะสลัดคืนไปครับครับทีนี้อย่างนั้นคํากล่าวนี้ก็อาจจะยังถูกไม่หมดใช่ไหมครับบอกว่านิพพานเป็นช่องว่างในที่แคบแคบซึ่งอยู่ในช่วงต่อของจิตที่ดับลงแล้วก็จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นอืมเหมือนจิตดวงหนึ่งค่อยคดับลงแล้วก็อาจจะมีช่องว่างนิดนึงแล้วก็จิตดวงใหม่เนี่ยเกิดขึ้น อ, อย่างนั้นถือว่าเป็นพุทธวจ น, นะคือคือดวงใหม่ไม่ได้เกิดแล้วนะ คือสลดเกินแล้วจบแล้วเพรา oh, ะฉะนั้นตรงนั้นมันไม่มีช่องว่างที่จะเพราะมันไม่มีดวงใหม่มันไม่มีผนังอะไรอีกฝัก่งหนึ่งทีนี้คือตามความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วก็อธิบายด้วยบทเพลงชนะของบุคคลบุคคลนั้นออกมาอ oh. อันนี้ก็คือถือว่าถูกสําหรับคนนั้นแต่เขาเข้าใจงั้นก็คือโอเ ค, คเอโดยพระวชนะผู้ชาวก็พูดถึงวสัคค์ ค, คือความสลัดเกินถ้าเข้าใจตรงเนี้ก็คือถูกต้องล่ะ เราจะไปก้าวลงอีกจะไปยึดถืออีกจะไปน้อมไปอีกจะไปก้าวลงอีกจะไปรับรู้อีกวางซ้ำไม่ไปอย่างเงี้ยก็คือหยุดโวสกัสสลัดคืนเอ๊ะมันจะไปหนึ่งมันเกิดดับเกิดดับใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปจับยึดอันนี้เราไปจับยึดอันใหม่ลิงจับอันนี้แล้วก็ลิงปล่อยอันนี้เราไปจับอันอื่นอย่างเงี้ยอืมจับไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ต้องให้มันดับคือไม่ไปละหยุดจบดับเอ่า อแก่นั้นเองครับครับท <Hey. S 1> ีนี้คุณผู้ศึกษาผู้ศึกษาปฏิบัติปฏิบัตินี่ก็ยังมีคําถามต่อตรงนี้ครับับว่าที่บอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปบตลอดมัตลอดคืนเนี่ยคืนและลักษณะที่เฟดลงไปหรือว่าความจางคลายไปเนี่ยแล้วจึงดับขึ้นเนี่ยคือไอเรื่องการความจางคลายไปความลายไปเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วเราเ ห, เห็นกันอยู่ บางทีจิตมันจะค่อยๆอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจากที่เรามารับรู้สิ่งนี้อยู่นะนั่นก็เพราะว่าอํานาจของตัณหานั่นเองอืออํานาจของตัณหามันพระอาจาบอกว่าตัณหาเนี่ยเพราะความจางคลายนใช้คําว่าจางคลายนะวิรากะอันดับไปนิโรธใช่ไหมไม่เหลือของตัณหานั้น่นเดียวอย่างเงี้ยก็แค่นี้เพราะฉะนั้นคือตัณหามันก็จางคลายไปได้นากาวมันก็มีเสื่อมสภาพไปได้ อืมอืออืมกลับก็ท่านบอกว่าตรงกับในปาลีเทคของสังกิตบอกว่าคําคํานี้ก็คือเหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับในบาลีสังกิตว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปอืมใช่อืมแล้วท่านก็เชื่อมโยงถึงว่าจากการที่นั่งสมาธิพอมีความเพลินพอเพลินไปแล้วพอมีสติ ครับความคิดที่เพลินนั้นก็จะดับลงทันทีออืท่านก็จะเห็นว่าเออนี่แหละมันคือการดับไปนะครับอ่นีทีนี้พอดับไปปุ๊บนี่จิตเราไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมเป็นต้นนะถ้าคุณมีสติหรือว่าจิตคุณก็ยังมีสติอยู่ก็คือสังขารนั้นหนึ่งใช่ปะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ยังไปก้าวลงแล้วอ่ะอนุนดับไปแล้วมันมาก้าวลงอันนี้แค่นี้มันยังไม่พ้นนะออืนัก็คือยังมีการยังไม่มีการโวศรคะ แต่มีการที่เรียกว่าอ่าเห็นตรงนั้นดับไปละแล้ว ต, ตอนที่เกิดใหม่เนี่ยเช่นเรามารู้เราไม่ใช่ก็ตามเราม า, า, ม า, มาอ่มีสติก็ําเนี่ยมันมันมันยังไม่มีอ่ะมันยังไม่เห็นตรงนั้นอืมครับเพราะฉะนั้นคือเรามาจต้องบอกอย่างนี้ว่าเราจะบรรลุทําได้คือคือเห็นตรงเนี้เราต้องทำบ่อยๆแค่นั้นเอง เนี่ยทำบ่อยๆถ้าเราจะเห็นว่าเอ้ต้องฉันต้องบรรู้นัขณะจิตนี้ต้องเห็นตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเข้าใจใหม่กันเห็นจะเห็นเกินดับเนี่ยโหมันมันจิตพาระอรหันต์เท่านั้นแหละครับพาระอรหันต้องระดับสัมมาสมัมพุทธาด้วยถึงจะเห็นได้ถึงตลอดเวลาอทีนี้ที่เราต้องทํานี่ยคือทําไอ้ตรงเนี้ยเห็นพอที่จะเห็นพอเท่าที่เราจะเห็นได้บ่อยๆบ่อยๆ บ่อยๆเนี่ยจนมันกระทั่งเอ้ยมันมันวางของมันเองอืมมันปล่อยวางของมันเองครับถามว่าคุณเห็นบ่อยอะไรจะเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมทำไมเห็นบ่อยๆอ่มันจะชานาญคล่องแคล่วจะมีความคล่องแคล่วแล้วเราจะมีความอมีความมั่นใจด้วยมั่นใจตรงที่ว่าเอ๊ะมันจริงๆด้วยนะอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเนี่ยไม่มีไม่มีครับศรัทธาคุณก็จะเพิ่มขึ้น นะคุณทํา<ม>บ่อยๆนี่คือความเพียรคุณมีละนที่คุณเห็นบ่อยๆเพราะสติคุณได้ใช่ปะ<ม>คุณจะเป็นก็ะับจิตคุณต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นศรัทธา<ม>วิริยะสติสมาธิบัญญัของคุณก็เพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่ตลอดเวลาอ่าพอคุณเพิ่มเพิ่มเพิมตลอดไปถึงจุดไหนถึงจุดที่มันจมรรู้ได้นั่นแหละนี่คืออินทซีย์ของคุณเพิ่มละครับอินซีครับอินทรียห้าอินซีอ่าอินซีห้าเพิ่มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะบรรลุทําได้เร็วขึ้นครับอเร็วขึ้นกว่าที่คุณมีน้อย ครับโ okay, อเคเพราะฉะนั้นเราพอเรามีความรู้ตรงนี้เราก็ทําต่อไปใช่ปะ่ะความความเพียงของเราต้องไม่ยอ่อหย่อนครแต่ถ้ามากเกินไปมันก็จะฟุ้งซ่านเราก็ทําพอประมาณพอประมาณในที่นี้คือทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างเอื้อเฟื้อทําอย่างติดต่อให้ทําอย่างมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเงี้ยไม่ย่อหย่อนคือไม่เกลียดครานใช่ ทําความเพียรไม่ย่อหย่อนก็คือไม่ใช่ความความเพียรแบบป๊อป๊อปแป๊บแป๊บหรือว่าทําความเพียรเร็วซามอย่างนี้ครับให้ทําอย่างดีว่ากันครับอัน น, นี้ก็คือเป็นคนํานึงของทางสายกลางด้วยไหมครับไม่ตึงไปไม่หย่อนไปถูกต้องถูกต้องทางสายกลางนี่แหละแล้วทางสายกลางแต่ละคนเท่ากันไหมครับท่านคือทางสายกลางนี่คือมรรคแปดนั่นเองทุกคนต้องมีอ๋อต้องมีแต่ที่ไม่เท่ากันอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันแน่ เขาแคเนี้หมอเรางคิดูเขาบอกว่าทุกคนต้องมีมาร์กมีความเสมอกันแน่นอนคุมแต่ว่าในมาร์กนี่อินทรีย์ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแม่มันก็ไม่เสมอภาคกันอยู่ดีนะจริงครับมาถึงเรื่องเอดมันก็ธรรมดาเท่าเทียมมันธรรมดามากๆคนบอกว่านั่งสมาธิวันหนึ่งสามชั่วโมงบางคนสองชั่วโมงบางคนหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะเออไม่เท่ากันไม่เท่าแฝงไว้ไม่เท่าแฝไว้เออมันมันเป็นอย่างนั้นแหละสังสารวัตเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองคุณต้องยอมรับมันได้ คุณยอมรับไม่ได้ใช่ไหมแกที่จิตคุณจริงครับเอมันแค่นี้เองต้องยอมรับมันไม่ได้ครับสังจธรรมเป็นแค่นี้เองคปัญหาอยู่ที่จิตนะครับจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่ที่เราจะมาหาความยุติธรรมในของที่มันไม่มีไม่ยุติธรรมอยู่แล้วอ่ะอืมมันไม่มีเอาแค่ว่าความคิดคนหนึ่งคิดว่าอย่างนี้ดีมันดีจริงจริงอ่ะแต่ว่าอีกคนหนึ่งบอกไม่ดีเฮแล้วก็มาเถียงกันว่ากันเอามันไม่ถูกละ เราก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นธรรมะแค่นั้นเองนะคือพูดถึงมรคนั้นเองครับางคนก็อ้างอ่ะนู่นอ้างอันนี้ทำเป็นสิ่งนี้อ้างสิ่งนั้นอ่ะอ้างมันก็อ้างไปได้ก็สังสารวัตมันก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่มีใครอ้างว่าไม่ได้อืมเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะอืมม่าีคำถามต่อในี้วันนี้คำถามที่สามใช่ใช่เอาเลยจาก คุณหมอปูครับหมอปูถามว่าหมอปูถามเรื่องมักมีองแ์ดในข้อสัมมาวาจาคือต้องไม่พูดคำหยาบแต่ถ้าเธอพูดเล่นเพื่อความสนุกสนานและไม่ได้ไปด่าไปกระทบใครจะผิดต่อมากไหมอย่างมุกตลกสมัยปัจจุบันคณะตลกที่เขาเล่นเนี่ยนะครับนะมันอาศัยความหยาบทำให้มันตลกใช่ไหมหมอได้โมเคยดูตลกไหม ตลกละครไอ้เขาเรียกว่าคณะตลกพวกนี้คณะตลกบางทีก็ใช้คำหยาบทาให้ตลกบางทีก็ใช้พูดโกหกทาให้ตลกบางทีก็ใช้พูดอ่าชื่อว่าพูดเพรสเชอพูดเล่นๆพูดเพื่อเพื่อเพื่อความสนุกสนานอย่างเงี้ยนะครับพระเจ้าเคยสอนท่านพราหุนบอกว่าให้ทําการศึกษาในใจการศึกษาในใจว่าเอ่อทําพืนอาำการศึกษาว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะไม่กล่ามูสาแม้เพียงเพื่อหัวเรากันเล่น อโอันนี้ชัดเจนะครับเราทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาแม้เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นอืไม่กลาวมุสาแม้เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นเพื่อหัวเราะกันเล่นเพราะมุสานี้คือโกหกใช่โกหกเพราะมันก็แอพลายหมดะอมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมาบานาทั้งสิ้นเียไม่กล่าวเพื่อเจ้อเพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นอ่าไม่กล่าวคำหยาเพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นคือหยาบเนี่ยบางทีมันไม่กระเทือนเราก็จริง แล้วมันไปกระเทือคนอื่นที่เราไม่รู้อาจจะมีได้อ่าเพราะคือคําหยาบคําหยาบนี่ไม่ใช่ว่าอ่าคำภาษาสมัยพ่อคุณรามเท่านั้นนะแต่เองรวมถึงความหวานหวานที่ฟังดูแล้วเหมือนหวานอ่าแต่ว่ามันมีความเชื้อเฉื่อยมีความบาดลึกทําให้จิตเฮือนางจากสมาธิอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เหมือนกันถือว่าเกีไม่ใช่คําสมาวช aja จะเป็นคําหยาบครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการหัวเราะกันเล่นเนี่ยคือแค่ทําเพื่อหัวเราะกันเล่นเนี่ยนะ ก็เป็นลักษณะของการร้องไห้ในธรรมะวินัยนี้อ๋อเ<ม>สมอกันเลยแหละครับหัวเราะมากมหัวเราะมากๆก็แสดงว่าอคุณไม่มีการสรํารวจมินซีละรหรือว่าจิตเขาเรียกว่าออกละไหลไปตามสิ่งที่มาพูดมากรเท่าอย่างเงี้ยนะเป็นความเพลินแบบหนึ่งใช่ไหมครับคือจะเพลินเนี่ยนะถ้ายังไม่เป็นบนระอหันเนี่ยมันก็เพลินอยู่แล้วครับอะไอ้นี่ถามว่าพระอาหารหัวเราะได้ไหมได้ครับเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่า ตอบแทนเลยครับหัวเราะในที่นี้นะ่ะมาก็คิดบ้านะหัวเราะจนกระทั่งแบบล้มความล้มหงายหรือว่าหัวเราะจนเวอร์เกินไปอย่างเงี้ยคงไม่ไครับก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแน่ล่ะออออืืออจะไม่เป็นอย่างนั้นแน่ละแต่ว่าถ้ามีความร่าเริงในธรรมนะหรือว่ามีเรื่องที่แสดงความยินดีมีการมูที่ตาจิตกันมีการน้อมสนทนากันการยิ้มการหัวเราะบ้างนิดหน่อยเป็นไปได้มีธรรมดาแค่ก็เป็นนะ ยกเว้นสมมาตรสุติเจ้าเนี่ยที่ว่าอแม้ยิ้มพระนนก็ยังจะต้องมีเหตุในการถามว่ายิ้มเพราะอะไรอโอโ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับใช่ใช <c oughs> คือพทะเจ้าเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนท่าทางอยเงี้ยก็จะมีคนคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาโอละเอียดนั่นคื อ, อความเป็นสมมาตรสมุทธะนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเออแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วความสนุกสนานในชีวิตจะอยู่ที่ไหนล่ะ ไม่ได้คุยเล่นกันเลยเหรอไม่ได้มีมุกตลก <นะ S 1> <tech. S 1> เลยเหรอคือมุกตลกเนี่ยอยู่ที่ว่าอ่าเราอาศัยความสุขจากอะไรแต่ถ้าเราอาศัยความสุขจากกานที่คุยเล่นแสดงว่าความสุขของคุณเนี่ยยังหยาบๆอยู่นะออืมแต่ถ้าเรามาเจอความสุขที่อยู่ในในภายในเราเจอความสุขที่เหนือกว่าลเล็กกว่าหรือซึ้งกว่าขึ้นไปเนี่ยเราจะมีความร่าเริงในธรรมมีความร่าเริงในธรรมแล้วเป็นยังไงแล้วคือคเราเจอสิ่งใดเราก็ยิ้มได้ อ, อราชนอ ก็ยังยิ้มได้อยู่น้ําท่วมใช่ไหมก็ยังยิ้มได้อยู่ยิ้มได้อเอพราะเรามีความร่าเริงในธรรมจากภายในครับอมันก็ต้องยืนยันว่าไอ้ความสุขความร่าเริงชนิดเนี้ยมันดีกว่าอ่าดีกว่าสวกว่าละเอียดกว่าใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรากล่าวเพื่อเจ้าเหลเพียงเพื่อหัวเราะ ก, กันเล่นกลาก่าวโกหกเพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นกล่าวว่าจะหย่าเพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นเอ่าจิตเราจะน้อมไปในทางกรรมอ่าการมไม่มีโทษมากมีโทษมาก แล้วการที่เราปฏิบัติผิดออกนอกมักโอ้มันเสียเวลาแล้วก็เหมือนเราต้องการเดินทางไปสักที่หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าหลุออกนอกทางอ่าูลาบ้างหลุดออกนอกทางบ้างทางเบี่ยงบ้างเสียเวลาบ้างเนี่ยเอาเรามาเลี้ยวผิดทางอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเสียเวลาเราเราสามารถหาความบันเทิงได้แน่นอนความบันเทิงในธรรมความร่าเริงในธรรมมีแน่นอนอาริยบุคคลข้ไหนก็สามารถทำให้มีได้ ท่านต้องไปปฏิบัติดูเองใ ช, ใช่ไหมครับจะได้ทราบง่ายๆอย่างหนึ่งที่เราสามารถพูดได้ก็คือว่าเอาความไม่ดีของตัวเองเน่ยมาเปิดเผย ค, ความเปิลความเชฉมของตัวเองเนี่ยเอามาเปิดเผยอืตลกนะครับมันก็ตลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องตลกที่ที่เราได้แก้ไขตัวเองด้วยเอาความไม่ดีมาเปิดเผยเราก็เป็นคนดีด้วยอย่างเงี้ยของตัวเองนะไม่ใช่ของคนอื่นนะของตัวเอง <laughs> ครับนั่นแหละ มันก็เลยกลายเป็นมุกตลกในในบทสนทนาได้นะถ้าจะทําก็ทําได้อออืทั้งนี้ทั้งนั้นออทั้งนี้ทั้งนั้นในจิตเราต้องมีความมีสมาธิอยู่ในภายในมีเขาเรียกว่าความบันเทิงใจอมีปิติสุขมีความสงบอยู่ในภายในเนี่ยมีความสุขอยู่ในภายในแล้วครับอมันถึงจะยิ่งจะดีมากยิ่งขึ้นครับมีคําถามอีกเพิ่มเติมอีกข้อนึ่งได้คราบใช่ไหมครับได้ได้ครับ ค, คุณอรพินท่านถามมาว่าท่านสนใจเรื่องของการทำสมาธิก่อนนอนอแต่เหมือนไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็ประโยชน์นะครับาการทำสมาธิก่อนนอนเราได้เคยพูดไว้อยู่เหมือนกันว่ า, าก่อนนอนเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะนี่ก็คือเรามีอย่างถ้าวิธีปฏิบัติทั่วไปก็คือว่ารู้ลมหายใจอยู่ใช่ไแล้วจิตเราก็นอนไปเพื่อการนอน จิตน้อมไปเพื่อการนอนเนี่ยแม่ฟังแล้วสับยากเหลือเกินเอาง่ายๆ่าคือว่าคุณคิดว่าคุณจะนอนมั้งั่นเถอะอสมมติสี่ทุ่มแล้วห้าทุมแล้วฉันเพิ่งจาจะนอนแล้วล่ะคุณเอนก่อนที่จะเอนกายลงนอนหรือเอนกายลงนอนไปแล้วเอาก่อนเอนกายนะนั่งสักสานาที5นาทีใช่รรไหมรวมไปใช้เข้าออกไม่คิดอะไรปล่อยวางให้หมดแล้วก็เอนกายนอนไปคือตั้งแต่ตอนที่คุณจะมานั่งสมาธิ5นาทีก่อนนอนนั่นน่ะจิตคุณคิดว่าคุณจะนอนแล้วนั่นแหละคือเรียกว่าจิตน้อมไปเพื่อการนอนแล้ว อ อ, อื ม, อมก็แค่ว่าคิดว่าเราจะทําอะไรกันแหละ เ, เ, เดี๋ยวจะไปกินข้าวนี่ยก็คือจิตน้อมไปเพื่อการรับพัฒนาล่ะอืมไม่ได้ยากอะไรนะอเลได้ ก, ออก็กัาร ม, มีจิตน้อมไปอจิตน้อมไปเพื่อการทําอย่างนี้แค่นั้นเองแล้วก็คุณแต่ว่ามันไม่ได้ทําปุ๊บได้เลยเ อ, เเอ้าวล้วก็อรู้ลมหายใจก่อนยังคุณจะไปกินข้าวคุณต้องเดินไปก่อนไปซื้อก่อนแล้วถึงจะค่อยเอาอาหารเข้าปากใช่ไหมออย่างการนอนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเออสักสี่ทุ่มจะนอน เดี๋ยวตอนนี้มัน3ามทุ่มครึ่องอยู่แลนะเราก็ค่อยเครึ่งชั่วโมงเราก็เคลียร์งานก่อนใช่ไหมเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเตรียมกายนอนเตรการนอนมันก็ยังไม่ได้หลับเป๊ะเลยแลนะเราก็ทําจิตตรงนั้นได้ทําจิตตรงนี้ทํำยังไงนะคือมีสติสัมปชัญญะตรงนั้นชื่อว่าคุณน้อมไปเพื่อการนอนแล้วนะแล้วนะก็หวังว่าหนะวังว่าไออวิชาเขาเรียกว่าอากุศลธรรม ท, ทั้งหลายนะจะไม่ไหลไปตามผู้เราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ อันนี้ก็ฝั่งยากอยู่แล้วเอาพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าจิตคุณเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนะเราก็จะไม่คิดว่าเอออยาให้มันมีเรื่องที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเลยในขณะที่เรานอนอยู่ครับจิตของเราอยากให้เป็นจิตไม่ไหลไปตามอกุศลใช่ครับอืนั่นนึงเพราะว่าจิตตรงนั้นจะควบคุมยากใช่ไหมครับท่านคือนอนไปแล้วหลับไปแล้วอะนะอ่ใช่หลับไปแล้วครับหลับไปแล้วเนี่ยคือเป็นอาการของการหลับหลับอย่างพุทธเจ้าก็มี นะ่คือการหลับในสมาธิเพรนั้น <Okay. S 1> ถ้าเราอยู่ในสมาธิแล้วเราก็หลับไปอันเนี้ยถูกต้องจิตนั้นน่ mm hmm. ก็จะเป็นจิตที่ไม่มีบาปอาคุสนิทำทั้งหลายนะที่จะไปตามเตอผู้นอนอยู่บงกคนฝันร้ายบางคนหลับ <c oughs> ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ย mm hmm. ตื่นมาก็งงเงียไม่งงเงียะนี่ธรรมดาเหมือนว่าตื่นมาก็ยังเป็นสุขนะไม่เป็นลักษณะ <c oughs> ว่าอ่อนเพลีย ไม่มีกำลังมีความกังวลใจไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขใช่เป็นอันนี้ส่งของคนที่เจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำนะถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำนะจะหลับเป็นสุขเนี่ยหลับเป็นสุขก็คือว่ า, าหลับได้ง่ายหลับได้เร็วนะ่ะไม่ต้องมาพลิกไปพลิกมานอนเป็นสุขก็คือว่านอนได้หลับลึกน่ะไม่ต้องตื่นระหว่างกลางแล้วก็ตื่นเป็นสุขก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นน่ะไม่มีปัญหาเรื่องความ่วงเงาอนอ่อนเพลีย สามอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ฝันถ้าฝันก็ไม่ฝันร้ายครับแค่ น, น, น้เผมผมนึกถึงบทเมตตาภาวนาตอนที่หลีกเลนที่วัดป่าดอนไหส่งนะครับบทนั้นเป็นบทที่ต้องบอกว่าส่วนตัวแล <Debatte S 1> <ๆ>้วดีมากแล้วก็ประทับใจอย่างอันนั้นแบบฟังแล้วก็จะจิตมันจะสงบแล้วก็เป็นสมาธินะครับ <laughs> ดีดีการปฏิบัติท่านไปบุญกล่าวตอนทุกวันของการหลีกเลนตอนสุดท้ายนะครับ คือว่าตรงนี้มันก็อยู่ที่อ น, นิสง์ของผู้ปฏิบัติแต่ละคนแต่ละท่านด้วยครนะเพราะว่าเราทําจิตสงบมาหลายวันแล้วอย่างเงี้ยมันมันก็มีอา น, นิสง์เกิดขึ้นแน่นอนนะฟังอะไรเห็นสิ่งใดธรรมะมันก็เกิดขึ้นตลอดอืมเพราะฉะนัี่ถ้าเราสั่งสมสุตตายู่เรื่อยๆใช่ไหมฟังธรรมอยู่เรื่อย ๆ, อยอยๆนะปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่ขาดไม่เว้นนะอันนี้แหละอันนี้แหละนะเราก็จะสบายใจได้เลยว่าจะนอนท่าไหนนอนกลางวันไม่นอนกลางวัน นอนกี่ทุ่มบางวันต้องนอนดึกบางวันต้องมานอนเร็วหน่อยมันได้หมดการการเข้านอนของเราเนี่ยก็จะเป็นสุขได้ครับมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าผมเคยนอนไม่หลับโอ้การนอนไม่หลับนี่มันเป็นทุกข์จริงจริงไปพิกมาอะไรอะไรความคิดวนเวียนโอ้มันมันมหาทุกข์นะครับอนไม่หลับแสดงว่าจิตตรงนั้นเนี่ยนะต้องมีนิวรแน่นอน มีนิวัณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรายังเอาออกไม่ได้อืบางคนก็อาศัยเครื่องช่วยนะเช่นนับแกะบ้างมาอ่านหนังสือที่มันอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแกะหมดไปพันกว่าตัวแล้วเราก็ทําอย่างที่วุฒิอาสอนนั่นแหละคือทําให้จิตเป็นสมาธิครับนะแล้วก็ด้วยด้วยสภาวะจิตนะท่าทางก็ยกไว้ก่อนก็ได้คุณจะอยู่ในท่านนอนคุณจะอยู่ในท่านั่งหรือคุณจะตั้งใจไว้ก่อนก็ได้ทั้งนั้น เอาละหมอลัชพง์วันนี้ในเอพิซอที่เกาสิบหกเราได้พูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างเราได้ตอบคําถามของท่านผู้ถามหลายท่านก็คือเรื่องของความไม่เท่าเท่าเทียมกันที่เราจะสอนในเด็กจะเข้าใจมีแน่นอนมีแน่นอนสังสารวัตเป็นอย่างนี้ให้เขายอมรับให้ได้ต้องสอนเขาเราได้พูดถึงเรื่องของจิตโนวิญญาณนะว่าเกิดดับอยู่เรื่อยๆเราจะวสคะเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เรก็เน้นย้ำกันจุกที่ว่าทำบ่อยๆเท่านั้นเองนะแล้วก็ศรัทธาวิรเยสีสมาธิพละห้าอินทรีห้าเราก็จะค่อยๆเพิ่มก็จะทําให้เราบรรลุได้ครับแล้วพูดถึงเรื่องของสัมมาวจาร์ใช่สัมมาวจาครับเราจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเพียงเพื่อหัวเราคกันเล่นแล้วจะมีความสุขในชีวิตไหมก็อยู่ในภายในนะได้ความบันเทิงความร่าเรืองในธรรมะมีอยู่อม แล้วเราสุดท้ายเราก็เรื่องของการทำสมาธิก่อนนอนก็สามารถทำได้ทำดีแนะนำให้ทำทำบ่อยๆด้วยเราวันนี้ในเอพิซดที่96เราก็ขอลาไปก่อนนะามอรัพพง์ครับกลับกลับนมืการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูณีพิพุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีครับเทีนบานและกลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ